พิจารณาตรวจศีลของตัวเองให้มากมากกิจวัตรของพระสงฆ์นี่ก่อนอื่นเวลาท่านนั่งสมาธิผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องท่านจะกำหนดตั้งแต่ท่านตื่นขึ้นมาว่าท่านได้ละเมิดสิกขาบทวินัยข้อใดถ้าท่านคล่องใจอยู่ที่ตัวไหนว่าอาจจะละเมิดสิกขาบทวินัยข้อนั้นท่านจะปรงอาบัตทันทีการตรวจศีล น, นี่ก็คือการเจริญสมาธิเอาศีลเป็นหลักสาคัญ